ใ น, นพระบรามาศาสนาไม่ได้บัญญัติไม่มีรูบัญญัติสมมติแล้วไม่บกพร่องเราจะทำถูกเรือไม่เท่านั้นพระพทธเจ้าทุกทุกองเป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรคสมบัติเป็นพรหมสมบัติเป็นเนพานสมบัติแล้วบริบูรณ ชาโลกจะปฏิบัติถูกหรือไมมันก็เป็นเรื่องของชาโลกทีไหนที่ยังไม่สอนเครื่องหัดก็ไม่มี น, ม น, มมมนุษย์สมัดสวรรค์สมัดพรมสมัดนิพพานสมัดไม่ได้คุณเลยพระพุทธเจ้าสร้างมาแต่มีมีพุทธประสงค์อย่างไรพุท ธ, ธะจริยาสร้างมาเพื่อเป็นพระสมาัยสมุทเจ้า ยาตต ะ, ะจริยาสร้างบรมีเพื่อสงพระยาโลตต ะ, ะจริยาสร้างบรมีทเพื่อจะกสงสั่งสอนโลกพรมบรมคาทนาเป็นการบ้านการเมือการสวรรค์การพรหมการเนปาลอีกด้วยไม่มีลัที่ใดๆจะมาสั่งสอน ให้ละเอียดและออเหมือนพรมรมา์เวลาเลยทุกยุทุกๆๆสมัยทุกการทุกเวลาของชาวโลกชาวธรรมด้วยคำสอน ใ, นใดในตจโลกธาตุเป็นเมืองขึ้นคำสอนพระพุทธศาสนาหมดเข้มทิศจะมีเก่้าล้างไปที่ไปในทางทิศเหนือโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคำสอน ใ, นใดก็เป็นเมืองขึ้น คำสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกใครจะรู้แล้วไม่รู้ก็ไม่เป็นปัญหาใครจะเชื่อแล้วไม่เชื่อก็ไม่เป็นปัญหาไม่ขึ้นอยู่กับพูดรู้แล้ไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้ไม่เชื่อเป็นจริงหรือไม่มีกลางวันงคืนเรียกว่าอริยสัจธรรมเรียกว่าอริยสัจคุณเชื่อมในทางลึกเพื่อให้นึกไลาหลายทาง น้ำเงินน้องครองมือบางต่างๆและลงสู่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวจังใดคําสอนใดๆก็ไรหลงสู่คําสอนใระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกคนจริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อแล้วไม่เชื่อเป็นข้อจริงอยู่ไม่มีกลาวันกลางคืนแลเช้าวโลกจะคบแตกหรือไม่คบแดดก็เป็นเรื่องของชาวโลกไม่เป็นเรื่องของท่าน ผู้ใดจะเคารพนับถือก็เป็นเรื่องของผองู้นั้นไม่ท่านไม่ได้เอาเรื่องอะไรกับใครๆเลยต่อโรมัสสาวแต่เราคอนให้มีอิสระเองถ้าจะมีงบ ป, ประมาณมาให้ชาวโลกเรื่มใสหรือให้รางวัลในทางอาวิชเชนจ้างพอให้รางวัลหมดรางวัลแล้วมันก็ขบุดคืน จะให้รางวัลอยู่ในตัวผู้ใดเอาไปเพลย์ลย์ล ป, ประพฤติว่าได้รางวัลอยู่ในตัวด้วยก็ไม่หมดเป็นด้วยไม่เหมือนซัพภายนอกทัพภายนอกแบ่งให้คนนั้นเอาไปมากคนนี้เอาไปมากมันเอาไปมากกว่าค่าไม่ได้ว่าใครต้องการเท่าใดก็เอาได้หมดจะปฏิบัติปฏิบัติประพฤติน้อยประพฤติมากเท่าได ก็ไม่เป็นปัญหาไม่หมดเป็นไม่เหมือนทรัพย์ภายนอกแต่ก็มีทรัพย์ภายนอกด้วยถ้าเป็นอุดมคติก็ดึงวัตถุนิยมไปด้วยถ้าไม่มีอุดมคติอยู่ในหัวใจแล้วอยู่ในความคิดแล้วแม่วัตถุนิยมจะได้มาก็มาอยู่ก็เดือดร้อนภายหลังได้วัตถุนิยมมาในทางที่ไม่ชอบ จะ ไ, ได้เต็มเป็นฟ้าแผ่นดินก็ตามเดี๋ยก็มาเป็นลูกระเบิดเผาตัวเองเพราะอุดมคติไม่ดีอุดมคติดีแนยะยวัตถุนิยมที่มาก็ไม่มีโทษถึงจะมีน้อยก็ไม่มีโทษถึงจะมีมากก็ไม่มีโทษเอา้าเพราะที่ได้มาในทางที่ไม่ชอบ รูดมคติเป็นหัวหน้าไม่ดีในเกจิณามันไปได้ไหมมันก็ไปไม่ได้มันก็สอบกลับหลังทังเข่าพ่อใช่ไหม <c oughs> ถ้าพรกรรมมนมีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกัน 4, เลยรูดมคติสี่น้ยเองพรกความนักใคร่กันเรียกชั้นทากติน้ำ เ, เอียงพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสากติน้ำมอียงพวกเขาเรียกโมหากติ ร่ำเอียงพกักปลัวเรียพยาคติอคติสี่ประการนี้ไม่ควรจะพึ่งร่ำเอียงพักความรักใคร่กันเนียกว่ายังไงอ่าพูดแต่เฉพาะพระพุทธศาสนารังเกยียจพระพุทธศาสนาไม่รักเพราะรักรัตที่อื่นจเรียกว่าร่ำเอียงพักความรักใคร่กันเรียกแขนทางคติร่ำเอียงพักความไม่ชอบกันเรียกโทชาคติ นี่ก็รังเกียจพระพุทธศาสนาอีก<ม>จะดีเด่นสักเพียงใดก็ราะตามไม่ให้คแมีแนนมันเลยแล้ว <c oughs> ยังพระเข่าเรียกว่าภักตริคื อ, อยังไง <c oughs> คือคบพระพุทธศาสนาไม่แต่พราะง้อพระเขา่าอันนี้ก็เรีเยังพระเขา่านะเรีเยกยังพระครัวเรียกพยากติคื อ, อยังไง <c oughs> ถ้าจะไปถือรัฐที่อื่นก็เกรงเขาจะรังเกียจ <c oughs> <c oughs> โดยเฉพยาคติพยาแปลว่าภายัยเกรงว่าเป็นจะเป็นภัยเก่ตนถ้าจะเทศทูนพระพุทธศาสน า, ษาก็เกรงว่าจะมีภัยแก่ตนอยูพยาคติและคติสี่ประการนี้ไม่ควรสะพึิของดีเราไม่ว่าดีเราก็ลําเอียงของดีเราก็ไม่เต็มก็กมอยกประโมหคติ ของดีเราไปรังเกียจก็เรียกประโทสากติของดีเราไม่ให้คะแนนว่าเดียวกันเราไให้คะแนนนันอื่นซะรังเกียจ ม, มันมันดีกว่าเราคิดถึงมันนะเราไปรักกันอื่น เนกวาลนาครับเนกว่าชั้นทากติผู้เลื่อมใสพระพุทธศาสนาไม่ใช่เป็นคนขี้โง่คนสร้างบารมีแก่กล้ามาแล้วถึงจะมีน้อยกว่าตาถึงมแมงผู้มแมลงพึ่งจะมีน้อยกว่ามแมลงวันก็าตาม แมลงผู้แมลงพึ่งก็มีสง่าราศีไปหาเกสนดอกไม้มามีน้ำซ้ำพึ่งของมันเอาบูชาพระพุทธธรรมประสงค์ก็ได้นั่นไม่เหมือนแมลงวันตอมไตยอดไข่ขางลงในของโสมมุ ม, ม, มทับถมทางคนหยาบขว้างทิ้งไม่พิจารนเพอแต่ตัวกลัวโซโคเป็นมีแค่โอรคอลงไปสู่อาหารกินเข้าไปก็ได้การ เกิดโรคประมาณต่างๆนานาพระพุทธศาสนายังอยู่ยั่งยืนยงเราก็เหมือนอยู่คงชีพด้วยพระพุทธศาสนาที่น่าโลงจากหัวใจพระเราจะรู้อยู่ได้รึเราก็เหมือนหมดหมุ้ยสุดที่ทตระกูลพุทธใครรานใครครู้เราพุทธธรรมสงศ์ผลของตอรรมอม่ดีจะตามนาบรรจงอยู่ชั่วการนา พระพุทธศา ส, สนาไม่มีอยู่แล้วไร้วัไถุใดๆก็ตั้งไม่อยู่อูพางคำไม่นำคำหนึง่งว่าหมดที่พึ่งพิงเองอาศัยชาวไตรโลกายาประมาถพระพุทธศา ส, สนาเธอที่นี้มาจากกรุงเทพก็มีใช่ไหมยกมือดูดูกี่คนเออนี่ก็มากจากกรุงเทพเหมือนกัน พระพุทธศาสนามีวิชาต้อนรับหลายอย่างผู้หวังอยู่ในมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกก็มีวิชาสอนเทวโลกคือชอบเอาแต่สวรรค์ก็มีวิชาให้ชอบเอาวิชาพรหมก็มีวิชาให้ชอบเอามนุษย์สมบัติก็มีวิชาให้แต่มันก็ถูกมนุษย์สมบัติไปเป็นลํำดับเสียก่อน ไม่ล่วงละเมิดอาบายมุกไม่ล่วงละเมิดสินทามันก็มีทั้งมนุษย์วิบัติทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติทั้งพรหมสมบัติทั้งนิพพานสมบัติเปิดประตูไปในตัวพร้อมกันแล้วนะมนมุษย์สมบัติไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดสินทาเนี่ยก็เป็นสวรรค์สมบัติอยู่ในตัวด้วย ก็เป็นพรหมสมบัติอยู่ในตัวด้วยก็เป็นนิพพานสมบัติอยู่ในตัวด้วยเอา้าพระพุทธศาสนาสอนโลกเป็นยังไงเอาอะไรมาสอนโลกมีธรรมสองข้อที่หนักกว่าเพื่อนเป็นหัวใจหลักปกครองโลกทําเป็นโลกบาลคือคุ้มครองโลกสองอย่างหนึ่งเฮริ เฮ็ดิก็ว่าเฮ็ดิก็ว่าเฮ็ดิตามสั บ, บรีพวามละอายต่อบาสองอดตะปะสอรุ่งกลัวต่อบามิได้อดตะปะสัมปันาสุกาธรรมาสมาเิตาสัน้นโตสับปุริซาโรเกเนวะธรรมาริวุตจารีุกครองโลกมีอยู่สองอย่างความละอายตาา่อบาความกลัวต่อบาเท่านั้นจะปกครองโลกได้จึงจะเป็นสุขแก่โลก จึงจะนอนหลับตาไม่สะดุ้งถวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างเวรไยก็จะไม่ได้มาเหือ ม, มาก็นับวันจะร้อยหลอลงไม่บานหน้าไปสู่เวรไฟใครเป็นผู้บัญญัติบาป บ, บุญคุณโทษถูก พพระเจาะพระไตรเจ้าเท่านั้นเลื้อดอังนั้นอย่าเอามาเอ่ยเลยสิ่งที่เป็นหบาว่าเป็นบุญก็มีสิ่งที่เป็นบุญว่าเป็นบาก็มี เ, เมข้าข้างตัวด้วยเข้าข้างพักของตัวด้วยเขราเหตุใดเพราะมีกิเลสเป็นนายหน้าเพระบรมวารัาสนาไม่มีกิเลสเป็นนายหน้าจึงสมฐานะกับว่าวซัตถะเทวนุสสานัง เป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต็มภูมิแล้วไม่กระด้างกระเดืองเลยพระพุทธเจ้าจะมากี่ล้านล้านพระองค์ก็มาสอนอันเดียวกันเมื่อได้รบร่างพรบรเลยมาเป็นทุกยุคยุคยุคยุคพุทธัญดลหนึ่งก็มาครั้งหนึ่งพุทธจำดลหนึ่งก็มาครั้งหนึ่งแม่กลับหนึ่งก็มาครั้งหนึ่งไม่ต้องสงสัยเลยนาหนา ผู้ใดไม่เสียดายร่วงละเมิดชิ้นห้าผู้ใดไม่เสียดายร่วงถือรัติอื่นศาสนาอื่นผู้ใดไม่เสียดายถืออยู่ยงคงกระพันผู้ใดไม่เสียดายเลิกดีถือเลิกดียามดีไม่ได้กลาวไม่ได้กล่าวตู่ว่าเลิกดียามดีไม่ได้ให้คะแนนและกล่าวตู่ให้คะแนนก็ไม่ให้คะแนนวันมีเอกนัดตินทิวะมีแต่เมื่อกับสว่างเท่านั้น ทิฏจารังคารพุทธประหัตสุขเสาก็มีแต่มืดแต่กับสว่างตอนนั้นไม่ได้ทาดีทําช่วงให้ท่านผู้ใดถ้าผู้ใดไปกล่าวตัววันเิกดียามดีออย่างนั้นอย่างนี้ผู้นั้นก็เป็นเสยศาสตร์ยังไม่ถึงพระสวสดา์บันแล้วก็ผู้ใดปไปล่วงอบายมุขผู้นั้นก็เป็นวิชามนุษย์วิบัติยังไม่ถึงพระสวสดาบัณ พูดถึงวาสดาบันแล้ว <Aus. S 2> ไม่ใช่ได้เร like ื่องละเมิดอภยมุกนะอบัยมุกทุกประเภทไม่ใช่ได้เลยไม่ใช่ได้เรื่องละเมิดอภัยจมุกไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกพันไม่เสียดายอยากลงละเมิดส้นห้าสิ่งไหนไม่ใช่ได้เราอยากลงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเราไม่เสยดายลงลุยลุม่านผลิงมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเราไม่เสียดายอยากลงลุย ล้มพูดล้มพูดมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเราไม่ใช่ดายอยากปีนขวากปีนน้ามันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเราไม่ใช่ดายอยากจะเอาน้าลายขึ้นมาใส่วากอีกเพราะเบื่อทิ้งแล้วเห็นว่ามันไม่เป็นเห็นว่ามันไม่เป็นประโยชน์มันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจท่านพูดถึงพระสัสดิบาลก็อย่างนั้น ทำไมจึงไม่ใช่ใจเชื่เส้นาพระมีสัมมาทิฏฐิเห็นดิ่งลงไปทางถูกแล้วเปิดหนทางทางถูกแล้วจึงไม่หนักไกว่าจะปลีค่ายปรีขวาจึงไม่หนักไกว่าอจะแวะหนีเพราะเห็นชัดว่าหนทางเส้นนี้ตรงแล้วถูกแล้วไม่สงสัยจะแวะซ้ายแวะขวาเลยถึงเดินยังไม่จุดทางก็ดีอ แน่ยก็ไม่นักใจด้วยเดินไปก็มีที่พักที่พักที่อาหารการกินเป็นลำดับลาดับไปเช้อด้วยนะเพราะไม่หลงทางเพราะมีแผนที่ผู้เดินทางไกลเช่นนักบินเขาก็ต้องมีแผนที่นักข้ามทะเลและมหาสมุทรก็ต้องมีแผนที่ถ้าไม่ฉะนั้นก็หลงตาย ตำความนั่นลงมาเป็นภูมิของโลกีไม่ใช่ภูมิรูปกกุตตะละตำความพระสวสดาบานลงมาเมื่อถึงพระสวสดาบานแล้วก็บานหน้าไปสู่สักคาคามีอนาคามมอันอาหารเป็นลัมดักสัพพุริสูปสังเสวะครบชัดตะบุรุษแล้วสัตธรมัธรวนะท่างท่านขวาญสั่งสอนของท่านโดยครบ โยนิสุวรรณอิการติตอสิ่งที่ดีรี่ช่วยโดยอบายที่ชอบธรรมานุธรรมะปฏิปติประพฤติธรรมสมควรแก่ทรรมซึ่งในตรองเห็นแล้วได้ค้นทางแล้วได้สมาธิทิฏฐิบ้างต้นก็คือพระสุวรันสมาทิฏฐิชั้นที่สองก็คือสักทาคามสมาทิฏฐิชั้นที่สามก็คือพระอนาคามี สมาธิทิชั้นที่สี่ก็คือพระรหันด์เรียนสมาธิิเห็นชอบแล้วสันทิฏิโกชอบแล้วเห็นเองชอบแล้วคือเห็นว่าไม่มีโรคไม่มีโกรธไม่มีหลงในคันธะสันดานของข้าเลยข้าไม่มาเกิดแก่เกี่ยวตายอีกเลยอันนั้นเรียกว่าสมาธิิเห็นชอบของพระรหันด์สมาธิเบื้องต้นของพระสวดทวันเห็นหนทางปฏิบัติไม่หนักใจเลย ถ้าเป็นหนทางดีมีที่พักเป็นระยะระยะระยะมีน้ำดื่มมีอาหารดื่มสมมติบุคราธิการมีที่ไปอย่างสะดวกเลยมีโรงแรมพักอีกเซะด้วยเป็นลําดับลําดับมีผู้ต้อนรับเป็นลําดับด้วยอุปมาดิ่งถึงพระเนพานเลยถ้าเปิดประตูถูกแล้ว สนใจในพระพุทธศาสนาชนะความสนใจทั้งปวงในโลกยินดีใน พ, พุทธศาสนาขณะจิตเดียวยังยินดีกว่าสิ่งอื่นในโลกด้านละล้าๆๆขนขณะจิตรักข่ารลปฏิบัติพระพุทธศาสนาขณะจิตเดียวมีคุณค่ากว่ารักข่ารลและปฏิบัติ อันอื่นนั่นล่ากนัจิตนั่บริโภคศาสต ร, ร์ธนาไปบินบาวในสมัยสร้างพุทธกาอนนนเอ๋ยวันนี้เราไปเช่าเกินไปเดี๋ยวเขาจะใส่ไม่ทันเราแวะพวกพระนิพาชัพวกนี้เถิดแวะไปหา พวกสาสนาอื่นเนี่ยแวะไะพักตอกเขาสักคู่แล้วจงไปบินทบาทมันเท่าเกินไปวันนี้เออถ้าเราเข้าไปนี่พวกนั้นไม่ทอดทักทายปลาใัยเราจะไม่ละอายหรือไม่อย่างนั้นเรามองเห็นแล้วเขาไม่เป็นอย่างนั้นดอกเราไปนี่เขาก็ทักทายเรานะหะที่นั่งให้เราด้วย เชิญนั่งนั่นที่นั่นที่นี่ด้วยพอไปแวะไปเขาก็บอกเออพระจ้ามาโคดมมาแล้วต้องเราปฏิที่สถานท่านเรื่องบนท่านนั่งนั่นปู่อาชนะให้พระบรมศาชนากทา็ทรงพระเมตตาพระบรมและมีพระวาจา ว่าพวกคุณสนทนาอะไรกันน่าสนุกจริงแต่ความเป็นจริงพวกโมรงศาสนาเขาพูดไปตามฐานันดรคณะกิจเขาปราบกันเรื่องพรมรโรคพระเจ้าค่าเรื่องพรมรโรคของพวกคุณเนี่ยปฏิบัติแบบไหนล่าให้ต า, าตาฐานคดฟังด้วยยืนค้าเดียวอ้าปากกินลมพระเจ้าค่า ครานกินอาหารพระเจ้าค่้าย่างกิเลสพระ้าค้าเออของพบกคุกว่าลำบากกว่าของสถาคตสักหน่อยของพวะพะมาโลกของสถาคตนี้และลอกแล ะ, และอธิษฐานพระกอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธธรรมประสงค์ แต่ถ้าเขาถู่พระนพพานก็ได้วิชาองมาโรกแล้วแต่ก็ปฏิบัติอย่างนั้นจริงแต่ก็เป็นอย่างนั้นจริงไม่ใช่พูดแต่ปาก เ, เฉยเท่านั้นพอแล้วเออช่างปฏิบัติง่ายจริงพ่อมาบวชกับพระ บ, บรมศาสตราก็มีเม่ช้าไม่นานก็สาเร็จพระหลา น, น เราไม่พูดเข้าข้างตัวเราพูดเข้าข้างทำถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้พระบรมศาสาถ้าทำ ม, มีอยู่ก่อนเราจรึงสามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจรึงเคารพทำผู้ต้องการพ้นทุกข์ในปัจจุบันชาติพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาครอบเข้าลงเข้าออก นิมิตใ ด, ดๆมาภาวนาไปเห็นแสงแก้วแสงพระอาทิตย์หรือแสงสว่างอะไรๆก็ไม่ติดดุชักตรงสู่อนิจจังเลยถึงแม้จะปรากฏหัวเหินเดิอนอากาศก็ตามถึงแม้จะปรากฏเบากายเบาใจก็ตามปรากฏเห็นร่างกระดูกก็ตามปรากฏเห็นเทบุตรเทวดาก็ตามปรากฏเดินบนอากาศ เบาหมิ่วกว่าตามตีร่างกายในอากาศกว่าตามเหาะทะลุปรากฏเหาะทะลุภูเขากว่าตามเห่อทะลุภูเขาคือเหาอะอยังไงภาวนาลงไปแสงสว่างทะลุภูเขาแล้วก็เหาะไปตามภูเขาก็หมดกำลังกระอนออกมาแล้วก็พิจารณาลงสู่อนิจจังทั้งชั้นนี้ก็ยังเป็นอนิจจังอยู่หนอต้องตรงลงอย่างนั้น นั่นยังพูดไกลพูดใกล้ๆเข้ามานึกขึ้นแล้วก็พูดก็ล่วงไปแล้วคืออนิจจังอันละเอียดนะหายใจเข้าก็ล่วงไปแล้วหายใจออกก็ล่วงไปตะพุดตะพุดตะพุดตะพุดตะพุดตะพุ ด, พ ด, พดก็นั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันละเอียดนะผู้หวังผลทุกนาปัจจุบันนชาติต้องพิจารณาลงอย่างนั้นอดีตคืออะไร คือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังมามาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเขาเลยผู้หวังพิจารณาคนทุกขนะ์ในปัจจุบันาชาติศีลก็มารวมอยู่ที่นั้นสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในที่นั้นปัญญาก็รอบรู้อยู่ในที่นั้นในปัจจุบันในจิตปัจจุบันในธรรมแและก็ไม่สงสัยเลย วังคนทุกนักปัจจุบันช า, า, นาติเขาก็ะาให้ลูกปู่พคตมากแต่ก็เอหวังสักด้วยเดชพระพุทธศาสนาะอัสงฆ์พระคุณข้าไม่มีประมาณแล้วก็ทรงอยู่ทุกการด้วยนกขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้นกขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาในที่นี้ก็ดี ช่งผสกจากความสุความเะรือในบวรและพุทธ ศ, ศาสนาพรสักมาสัพุทธเจ้ายิ่งงขึ้นไปจนถึงที่สุดทุกโดยชอบโดยด่วนโดยไม่เหลือในปัจจุบันกิจปัจจุบันนิธรรมอยู่ทุกเมือ่อถือจะปฏิบัติจะข้ามจะถึงพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามี ก็ตามก็จิตปัจจุบันธรรมปัจจุบันเท่านั้นไม่ใช่จิตอดีตไม่ใช่จิตอนาคตปัจจุบันนันจโยธรรมผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นแม่ง่อนแง่งนคอนเคลนเลยอาบายมุกทุกประเภทเป็นมนุษย์เบัดเป็นสวรรค์เบัดาเป็นชมเบัติด้วยเว้นอบายมุก ก็เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมบัตินิคลานสมบัติไปโดยสะดวกในตัวถ้ามาอย่างนั้นแล้วก็ฝืดบ้างพระพุทธศาธสนาสวัสดีปีใหม่แต่ใกล้จะตายกว่าปีกายนี่ใช่ไหมแต่เป็นธรรมเนียมของเจวพุทธที่ใช้กันมาให้มีเมตตาไพรละพระพิ่งอิงธรรมะเพื่อละความปวดโทษโทโซ เป็นสมาวาจารสมาวาจารที่วัไปวันมามันก็หมดเวลาแล้วกินตกกะกั่วิภาคอีสานบุ้มมีน่นวยแก้วย่องอยู่บนหัวส่วนผงทุลีสวดที่หว้ว่างเมียนเห็นบุ้มมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยู่บนหัวใจกิดใจมันก็เป็นบาปมันก็รุ่งนรกคน มาล่วงผ่าขืนชู้เวหาค่อยดูย่อมมาหน้าไห่ฟาดฟ้องเฟื่อน่งนะคำโบราณพระรหัเจิตใจโยงสูงมองบังสัตว์โลกทั้งหลายฟาดฟ้องเฟื่อน่งน้ำหลบน้ำโกดน้ำหลงทุกนะ่นะนะเทียบไดธรรมะว่าไปอาจารยจะจุกกันหม่กีกน